Mm hmm.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 การอยอรับปัจจุบันก็ทำให้ความทุกข์มันลดเหลือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเราแต่ว่าไม่ประทบกระเทือนไปถึงใจก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปมัวบน่นไม่ต้องไปมัวตีโพยตีภายเสียเวลากับการบ่นเสียกำลังไปกับการตีโพยตีภายเยอะแล้ว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 ตามที่มันเป็นอันนี้มีความหมายกว้างมากแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างเจาะจงก็คือการที่เวลาเรามีความทุกข์ก็ให้มองความทุกข์ตามที่มันเป็นถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็จะเป็นทุกข์นะฉันเป็นทุกข์กับฉันมีทุกข์นี้ไม่เหมือนกันนะฉันมีทุกข์ก็หมายความว่าทุกข์ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันมี แต่ถ้าฉันเป็นทุกเนี่ยคือทุกเป็นฉันทุกเป็นทั้งหมดของฉันมันมีความแตกต่างกันอยู่เมื่อที่ที่แล้วก็ไปพูดกับเรืออคลายผู้เป็นโรคมะเร็งที่โคราชก็บอกกับเขาว่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นมะเร็งนะเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราเพียงแต่มีมะเร็งอยู่ในตัว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 มองไม่เห็นอย่างอื่นแล้วว่าฉันเป็นอะไรนอกฉันเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งมันก็เลยครอบงาจิตครอบงำใจของเราเมื่อคนที่บอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายเพราะว่าฉันเป็นคนล้มลายนี่มันก็แสดงว่าฉันไม่เป็นอื่นแล้วตั้งแที่ฉันยังเป็นอย่างอื่นอีกหลายอย่างฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นคนขยันมั่นเพียรฉันเป็นคนมีความสามารถ ว่าเราเป็นอะไรต้องหลายอย่างแต่พอบอกว่าฉันเป็นมล็งเท่านี้หรือว่าฉันเป็นคนล้มละลายนี่ไอ้ความเป็นคนล้มละลายก็กลายเป็นสิ่งที่มาคลองจิตคลองใจฉันคลองชีวิตจิตใจฉันฉันไม่เป็นนะไรล็กแล้วฉันมีปัญหาล้มละลายอันนี้ถูกแต่ไม่ใช่ฉันเป็นคนล้มละลายฉันมีปัญหาล้มละลายแต่ฉันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ดีๆต้องแยกให้ออกนะระหว่าง ฉันมีทุกข์กับฉันเป็นทุกข์อันนี้คือการมองความเป็นจริงหรือมองปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่าให้ทุกข์มันคลองจิตคลองใจจนกระทั่งเราละเลยหรือมองไม่เห็นสิ่งอื่นๆที่เรามีหรือเราเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเออ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 คนนี้เขาอาการเขานี่มันมันแรงหมอก็บอกว่าเนี่ยอย่างเขานี่อายุไม่เกินยี่สิบนะก็คงเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้ก็อายุ2ี่7หกยหรือ28บแแล้วแต่ร่างกายแครกแกนเหมือนเด็กเลยตาโปนอ่อนแอรกระดูกอ่อนขาหักเป็นประจำข้อเฝือกมาแล้วส4บครั้งเขาน่าจะเป็นคนที่ มีความทุกข์มากแต่ว่าขาอพูดอย่างนี้ว่าถึงเป็นทลัสซีเมียแต่ว่าฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกเอาไว้ดมกลิ่นดอกไม้หอมยังมีปากเอาไว้กินของอร่อยอร่อยได้แล้วก็ยังมีร่างกายทำอะไรได้ตั้งเยอะแย ะ, <Yeah. S 1> สะแสดงว่าเขาเห็นตัวเองตามที่เป็นจริงเขาไม่เพียงแต่ยอมรับว่า เขามีทรารัตซิเมอยู่ในตัวนะแต่เขาสามารถที่จะเห็นอย่างอื่นได้อีกว่าเขาก็มีสิ่งดีๆและพอเขาเห็นตัวเองตามที่เป็นจริงเขาก็เลยสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ถึงความสุขรอบตัวได้แต่คนจานวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นความทุกข์ของตัวเองตามที่เป็นจริงได้ก็มองความทุกข์ให้มันใหญ่โตจนทั่ง มันกลายเป็นทั้งหมดของตัวเขาครอบจิตครอบใจจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นของสวยงามไม่สามารถที่จะดมกลิ่นหอมไม่สามารถที่จะกินของอร่อยได้เพราะจมอยู่กับความทุกข์ไปเอาแต่หมกมุ่นว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นคนล้มละลายฉันเป็นคนแย่นี่ยถ้าเรามองเห็นความจริงเมือมองปัจจุบันตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นได้ว่าให ความทุกข์หรือว่าปัญหาที่เกิดกับขึ้นกับเรานยะมันก็แค่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวของชีวิตเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่เป็นความจริงเหมือนกันเป็นปัจจุบันเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปตีอกชกหัวตัวเองหรือว่ากลด่าชตากรรมเราก็สามารถจะมีกาลังหรือมีพลังในการที่จะดาเนินชีวิตไดต้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ย มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีคนเรามีสิ่งดีๆอีกเยอะแต่เราไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีเพราะเราไปจมอยู่กับความทุกข์าการอยู่กับปัจจุบันก็มีความหมายอีกแง่นี้ด้วยก็คือว่าการที่เราสามารถที่จะชื่นชมแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามี ที่บอกไว้เมื่อวานว่าเราไม่ยอมรับปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เพราะเราไปเทียบเคียงกับอดีตที่เราเคยมีเยอะคนที่มีหนี้ศินสิบล้าน20ล้านทุกนะเพราะว่าไปเปรียบเทียบ ว, วัตรกรนี่ไม่มีหนี้ศินมีรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ตอนนี้บ้านก็ไม่มีรถก็คันเล็กลงแถมมีหนี้สินอีก มันก็ยอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ว่าถึงแม้จะมีน้สินิเยอะแต่ว่าก็ยังมีโลกที่น่ารักมีภรรยาหรือคู่ครองที่ดีมีสุขภาพที่ทำอะไรได้สะดวกเดินเถินไปไหนได้ในสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นแต่เราไม่สามารถจะเห็นมันได้เพราะเราจมอยู่กับความทุกข์เราก็เลย ไม่รู้สึกชื่นชมสิ่งที่เรามีหรือว่าเราเวลาเราได้ของของสิ่งใดมาเนี่ยอย่างเช่นได้รับแจกมาเราก็ได้รับแจกมาเราก็พอใจได้รับแจกหนังสือได้รับแจกซีดีเนี่ยเราได้รับแจกคนละเล่มได้รับแจกซีดีคนละแผ่นเราก็ดีใจแต่พอเห็นเพื่อนเ็ได้สองแผ่นได้สองเล่มเราเสียความรู้สึกเลยเราไม่พอใจแล้วในสิ่งที่เราได้มา อนนัเราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะอยู่กับปัจจุบันคือเราไม่ไปเทียบเคียงกับใครเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะยินดีสิ่งที่เราได้ถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยมันจะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไปต่อของถูกมาเราก็ยินดีในของนั้นจะไม่ไปเทียบกับคนอื่นว่าเขาต่อได้ถูกกว่าเรา เราซื้อมาได้ห้าสิบเขาซื้อมาได้ยี่สิบห้าก็ช่างเขาเราเราก็พอใจในของชิ้นนั้นแต่เปล่านะพอไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราก็เลยไม่มีความสุขเราอิจฉาเขาหรือเราสึกว่าเรานี่โง่เรานา่าจะต่อให้มากกว่า น, นี้ว่าตัวเองตำหนิตัวเองแล้วก็เลยพลอยไม่รู้สึกชอบของชิ้นนั้น<ม>เห็นชิ้นของชิ้นนั้นแล้วมันรู้สึกเจ็บไปที่หัวใจเพราะมันเหมือนก็จะบอกว่า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 นางงามจั ก, กรวาลก็ยังมีความทุกข์พอไปเปรียบเทียบกับนางงามจั ก, กรวาลรุ่นก่อนว่าเขาสวยกว่าเขาเด่นดังกว่านี่เรียกว่าไม่ว่ามีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นแม้จะพิการแม้จะเจ็บจะป่วยอย่างคนที่ชื่อก น, นกวรรณที่พูดเมื่อกี้นี้หรือบางคนไม่มีแขนไม่มีขาเลยมีแต่หัว มีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออโมตะเกะเนี่ยเขยนหนังสือเรื่องไม่ครบ5้าคือมีแต่หัวแขนสองขาสองไม่มีจะไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถรถเลื่อนรถไฟฟ้าแต่แกเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใส เ, เหมือนกับอาจารย์กำพลเลยคือเห็นหน้าทีไรก็ยิ้มแล้วแกก็บอกบผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันขนาพิการนี่ก็ยังเล่นบาสเกตบอลเป็นตั้งแต่เล็ก ไม่รู้เล่นยังไงนะเขาใส่เสื้อผ้าเป็นกินข้าวเป็นพพ่อแม่สอนมาดีไม่ให้สมเพศตัวเองเขาสึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนพิดการแล้วเขาก็พอใจนะฉันมีแค่หัวหนึ่งหัวก็พอใจไม่เป็นไม่เป็นมัวเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขามีหัวหัวหนึ่งแขนสองขาสองแล้วเขาก็มีชื่อเหมือนคนปกติเป็นนักข่าวแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นครูโรงเรียนมัธยมไม่พอเขา พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ก็มีความสุข น, นี่แล้วว่าเป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันคนเราก็มีสิ่งดีๆอีกเยอะมันไม่ได้มีสิ่งที่แย่มันไม่ได้มีความพร่องอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราก็พร้อมจะเปิดรับความสุขได้ทุกขณะอย่างที่ยกตัวยอย่างคนขี่รถสามล้อ ของอาจำประมวลนะแม้จะยากจนแม้จะมีปัญหาว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารให้ลูกกินคืนนี้แม้จะขับรถเหนื่อยแต่ว่าพอลมพัดมาเย็นๆกระทบตัวจิตมันก็พร้อมจะเปิดรับความสุขอาแขนรับนะลมเย็นๆขอบคุณพระเจ้านี่เรียกว่าเป็นจิตที่ไวต่อความสุขหรือพร้อมจะเปิดรับความสุขเพราะอยู่กับปัจจุบันไง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 เพราะจริงๆความสุขก็มีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วความสุขมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแต่เราจะเห็นหรือไม่แค่นั้นเองอะไรที่ทำให้เราไม่เห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวก็เพราะใจที่ไปจมอยู่กับอดีตใจที่ไปกังวลกับอนาคตใจที่ไปหมกมุ่นอยู่ความทุกข์ไปคิดว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นคนล้มละลายใจไปจมอยู่อย่างนี้มันจะเห็นความสุขที่อยู่มีอยู่รอบตัวได้ไง มีตาก็เหมือนไม่มีมีจมูกก็เหมือนไม่มีมีปากก็เหมือนไม่มีเพราะว่าใจมันจมอยู่แต่ความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นนะก็สามารถจะเห็นความสุขหรือได้รับความสุขทุกเวลาความสุขง่ายๆแค่ดมกลิ่นดอกไม้อ่หอมนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอันนี้คือแง่หนึ่งของของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งมัน ก็ก่อให้เกิดอ น, นิสงส์ที่ ด, ดีปัจจุบันคือสิ่งที่เรามีเราก็เห็นมันแล้วชื่นชมปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ด้วยอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่เราทาในขณะนี้เรากำลังฟังอยู่ฟังคำบรรยายเราก็ใจอยู่กับการฟังคำบรรยายใจเราไม่ไปทำอย่างอื่นใจเราไม่ไปคิดวางแผน ว่าอาทิตนาจะทำอะไรแต่เราไม่ไปไประมุลไปมัวกังวล น, นะกับงานที่ยังค้างค้างอยู่ใจเราไม่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่มารบกวนข้างล่างหรือไม่ไปไปจดจ่ออยู่กับเสียงไก่ขันเราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับการฟังอันนี้เียว่าอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะพูดง่ายคือว่าตัวอยู่ไหนนะ ใจก็อยู่นั่นเรารางจาาเรารีดผ้าเราทำครัวเราหั่นผักนี่คือสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันใจก็อยู่กับสิ่งนั้นใจไม่ออกไปนอกตัวใจไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่กับงานที่ทำหรือไม่ทำอย่างอื่นแข่งกับงานที่กำลังทำอยู่เช่นตัวกำลังหั่นผัก ล้างจานนะแต่ว่าใจไปทำอย่างอื่นแล้วหรือบางทีก็ทำหลายอย่างพร้อมกันอันนี้ก็ไม่อยู่กับปัจจุบันนะกำลังกินข้าวอยู่แต่ตาก็มองไปที่โทรทัศท์นะหรือไม่ก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยมันวุ่นวายไปหมดการที่เราฝึกการที่เราทำทีละอย่างทีละอย่างกายทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอยู่อย่างเป็นปัจจุบันคืออยู่อย่างรู้สึกตัว รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ น, นั่นแหละนะก็คือการอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันที่สําคัญนะที่มันทําได้ยากนะแต่ว่าสําคัญมากเมื่อกี้บอกว่าเราปัจจุบันนี้หมายถึงสิ่งที่เรามีหมายถึงสิ่งที่เราทําปัจจุบันยังหมายถึงกายและใจและรูปและนามที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันคือการ รู้ลรวลึกรู้อยู่ในกายลรวลึกรู้อยู่ในใจหรือพูดง่ายคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจเพราะกายและใจนี่คือปัจจุบันจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่เป็นปัจจุบันเท่ากายและใจอยู่แล้วแม้แต่ของนอกตัวทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันชัดๆเท่ากับกายและใจดูกับปัจจุบันคือราลึกรู้ในกายในใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจตรงนี้คือสิ่งที่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 แล้วบางทีก็อาจจะคิดนึกถึงสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อกี้ติดประโยคนึงก็ไม่เข้าใจก็คลุ่นคิดอยู่กับประโยคนั้นว่าหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่าลืมใจไปแล้วเพราะว่าใจมันหลุดเข้าไปในความคิดแล้วไม่รู้ใจเราต้องรู้กายรู้ใจลงในปัจจุบันรู้กายคือรู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คิดเอาหรือไม่ใช่ บอกกับตัวเองว่ากาลังทําอะไรอยู่แต่มันรู้สึกจริงๆว่ากาลังทําอะไรอยู่รู้สึกว่ากําลังนั่งอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันกําลังนั่งอยู่กับพิภตาก็รู้ว่ากับพิภตานะไม่ต้องไปคอยจ้องว่าเมื่อไหร่จะกับพิภตาเวลาใจเผลอคิดไปใจไปอยู่ในความคิดหรือถลำตกเข้าไปในอารมณ์ก็รู้และวรู้แล้วมก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้หรือไม่ลืมกายไม่ลืมใจ เมื่อไม่ลืมการไม่ลืมใจใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการที่เราอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะก็พราะอะก็พรมันไปอยู่กับอดีตก็พร อ, อยู่กับอนาคตเพราะว่าไปไปมองคนอื่นหรือว่าไปหลงถลําอยู่ในความคิดไปถลําอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัจจุบันแต่เมื่อเราก็ตามที่ใจ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 เวลาพูดถึงสติเนี่ยนะที่จริงเราก็มีกันทุกคนนะเพราะว่าสติคือความระลึกได้ความระลึกได้ระลึกได้ว่าเดี๋ยวตอนเช้านี้เราจ ะ, ะกินข้าวกี่โมงระลึกได้ว่าเมื่อเสร็จอบรมแล้วนี่เราจะไปไหนต่อระลึกได้ว่าตอนบ่ายนี่เรามีนัดอะไรบ้างหรือระลึกได้ว่าเราวางร่มไว้ที่ไหนเวลาทํางานแล้วทํางานเพลิน สักพักก็เราลึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้หรือต้มน้ําเอาไว้ที่ครัวจะขับรถหากุญแจไม่เจอเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าออกไปวางไว้ข้างเตียงหรือไปวางไว้ในห้องครัวอันนี้เราลึกได้ทั้งนั้นนี่คือสติแต่ว่าเป็นสติหรือความเระลึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่เราต้องมีและมักจะขาดก็คือว่าเราลึกได้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 ความเครียดไม่ใช่ตัวฉันความโกรธไม่ใช่ตัวฉันถ้ามีสติมจะเห็นแล้วอ๋อมีความเครียดอยู่ในใจไม่ใช่ฉันเครียดนะจะจะเห็นเลยว่ามีความเครียดอยู่ในใจฉันเครียก็ฉันมีความเครียดนี่ไม่เหมือนกันฉันเครียกคือความเครียดเป็นตัวฉันแต่ว่าฉันเห็นหรือฉันมีความเครียดเนี่ยความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่ง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 มีความเครียดมีความกลัวมีความเบือ่ออ่มันก็เห็นก็เห็นว่านี่เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจหรือเวลาเจ็บเวลาคันพระยุงกัดก็เห็นว่ามีความคันเกิดขึ้นแต่ความคันไม่ใช่ตัวฉันมันก็เป็นเรื่องของของกายถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจมันจะเห็นมันจะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนท่านได้พูดย้าอยู่ ฉันเครียดกับฉันเห็นความเครียดมันต่างกันถ้าลืมกายถ้าลืมใจลืมใจเข้าไปในความเครียดเข้าไปในความปวดก็กลายเป็นผู้ปวดทั้นที่มันแค่ปวดกายแต่ว่าพอเป็นผู้ปวดนิ่ใจมันก็ปวดด้วยพอเข้าไปในความเครียดทั้งที่ความเครียดนี้มันเป็นเรื่องของใจแต่ไปคิดว่าฉันเนี่ยเครียดคือผู้งคือมันปรุงขึ้นมาว่ามีฉัน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 และเรานี่ก็จะกลายเป็นเจ้าของความเครียดความโกรธความปวดความเจ็บขึ้นมาตอนนี้ก็เลยทุกข์ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเรารู้หรือรู้กายรู้ใจในปัจจุบันไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่ถลำก็ไปในความคิดไม่ถลำ้าไปในอารมณ์แล้วก็จะเห็น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 มาลืมกายลืมใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะลืมจึงหลงและเพราะหลงก็เลยลืมหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะอยู่กับปัจจุบันเป็นในทุกแง่มุมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าโอไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ยังมีความสุขโดยที่ไม่ติดในความสุขนั้นด้วยเพราะว่า ไอ้พอติดในความสุขเมื่อไหร่ก็มันก็ลืมแล้วก็หลงได้เหมือนกันมีลมเย็นๆพัดมาเกิดสุขเวทนาขึ้นก็ซึมดื่มดำในความสุขนั้นอ่าอันนี้ก็เรียกว่าลืมใจแล้วนะมันหลุดเข้าไปในสุขเวทนาก็จัดว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทาให้หลุดจากปัจจุบันไปกลาลังทาอะไรอยู่ไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องแล้ว ไม่จะเป็นชั่วขณะก็ตามที่หลุดเข้าไปในอารมณ์นั้นน่ะแต่มันก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาเห็นความสุขเห็นสุขโควเทนาแต่ไม่ใช่เป็นผู้สุขเนี่ยฉันมีความสุขแต่ฉันไม่ใช่เป็นผู้สุขเป็นสุขนี่มันก็หลงกันนะเหมือนกับเป็นทุกข์อ่ะก็เพียงแต่ว่าเหเห็นว่ามีทุกข์เห็นว่ามีสุขเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับใจ นี่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันในในในมิตินี้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นซึ่งก็จะทําให้เราเห็นความจริงหรือเห็นปัจจุบันตามความเป็นจริงเห็นปัจจุบันตามความเป็นจริงจงเห็นจนเห็นถึงขั้นว่าไอเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความสําคัญมั่หมายเป็นเราเนี่ยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเราสุขเราทุกข์นี่ก็มันปรุงขึ้นมาเพราะว่าสุขมันก็ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรานะี่ยแต่ว่า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 อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าถูกมันลากจูงไปมันเกิดขึ้นทีไรมันฉุดมันลากใจเข้าไปในอารมณ์นั้นทุกทีเหมือนกับคนที่มาคอยล่อมาคอยลวงว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิแล้วก็จูงมือเราไปเสร็จแล้วก็พอไปในที่มุมอับก็ร่นทรัพย์ควักเงินจากเราไป พอเราออกมาเดี๋ยวมันหมาีกแล้วแล้วก็มาลากมาจูงมาชักชวนไปพอเข้าไปในมุมความก็ป้นซับเราทําอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเราถึงยอมให้ทำก็เพราะเราจำไม่ได้ว่าไอ้นี่พูลายไอ้นี่ขโมยความจำเรามันสั้นหรือไม่มีความจำเลยมันมีคนแบบนี้นะคือความจำสั้นเจอทีไรก็ลืมยังมีคนหนึ่งความจำสั้นไปหาหมอ หมอต้องแนะนำทุกครั้งว่าเขาเชื่ออะไรพอหมอเข้าไปห้องน้ำห้านาทีกลับมาไอ้คนไข้จําไม่ได้แล้วก็ต้องแนะนําว่าเขาเชื่ออะไรหมอต้องแนะนำว่าเชื่ออะไรทุกครั้งไปแล้วพวกเรานี่ก็พบคาําความจําสั้นนะโดนอารมณ์มันลอกมันลา่ามันหลอ ก, กไปเหมือนกับโจรมิจฉาชีที่มันลากมาจูงชักชวนจูงมือเราไปแล้วก็ป้นซับพอเจอใหม่เราก็จําไม่ได้ว่านี่คือโจรก็เอาไป แต่ต่อมาพอเราเจอบ่อยๆเจอบ่อยเราเริ่มจําได้แล้วเราเริ่มจําได้เราเริ่มรู้แล้ว อ, อ๋อนี่นี่พูดลายนะตอนนี้จะมาชักจูงเราจะมาจูงมือเราไปเราไม่ไปแล้วใหม่ๆก็จูงไปกลางทางแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้อ่านี่โจรเราก็สะบัดหลุดสะบัดมือหลุดออกมาแต่ตอนหลังนี่เพียงแค่จะจูงมือเราเราก็ไม่ไปแล้วมีสติก็คือมีอย่างงั้นแหละคือการระลึกได้ เห็นความกลัวเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่รู้ก็เลยหลงเข้าไปถลําเข้าไปแต่ตอนนี้รู้แล้วจำได้แล้วมันก็ไม่เข้าไปก็วางระยะเหมือนกับเราเริ่มวางระยะกับผู้ลายนั้นเขาจะมาชักจูงเราไปเราไม่ไปเรายืนอยู่ห่างๆเขาจะมาใกล้เราก็ยืนอยู่ห่างๆจะมาจูงเราไปไหนเราไม่ไปแล้วอันนี้เรียกว่าจาได้การมีสติ การที่เรารู้เห็นอารมณ์บ่อยมันก็ทำให้เราจาได้พอจาได้แล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ถลําเราก็แค่มองอยู่ห่างเห็นแต่ไม่ไม่หลงไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันจริงจริงๆคือว่าเราไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเพราะกายและใจคือปัจจุบันจริงๆที่เหลือความคิดอารมณ์ต่างมันเป็นของปรุงของหลอก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 จะเป็นเชื่อว่าจะเป็นอะฮิวามันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ภูมิคุ้มกั่างกายเรานี่มันไวนะถ้าได้เจอเชื้อโรคแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปถ้ามาอีกมันจได้แล้วแต่ใจของเรานี่กว่าจะจําอารมณ์ได้จงกระถางไม่ไม่ถล่มก็ไปในอารมณ์นั้นโอ้ยต้องเจอหลายครั้งเจอครั้งแล้วครั้งเล่าเจอเป็นสิบเจอเป็นยี่สิบเจอเป็นร้อยถึงจะจําได้แต่ว่ามันก็ต้องยอมนะ เพราะนั่นอย่าไปรังเกยียจอย่าไปปฏิเสธผักใสไอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าไปเลือกที่รัมาที่ชังว่าเอออย่างนี้ดีฉันเอาอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอาทุกอย่างเป็นครูที่สอนเราได้ทั้งนั้นไม่ว่าบวกหรือลบความยินดียินร้ายก็สอนเราได้แต่ก่อนก็เผลอก็ไปยินร้ายก็ไม่เป็นไรนะก็รู้รู้แล้วก็ทําใหม่เดีย๋ยวไปยินร้ายมาอีกอก็รู้ นะต่อไปพอยินล่ำนก็รู้แล้วยินดีก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเลืลึกรู้ในกายและใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจโดยเพราะตัวใจเนี่ย จ, จะลืมได้ง่ายมากแต่ถ้าลืมใจแล้วมันก็ลืมกายนะเช่นพอถล้ำก็เป็นในอารมณ์ถล้ำก็เป็นในความคิดเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่กินข้าวก็ไม่รู้ว่ากินข้าวพอะใจไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินเพราะใจกาลังกังวลถึงงานการ อันนี้ก็นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจนะเรื่องการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้เป็นมันมีทั้งระดับที่ยากไปจนถึงระดับที่ละเอียดทั้งระดับที่ง่ายจนถึงระดับที่ยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรา